ใช่ป่ะอ๋อผมอัลลฮอาุบิลลาฮฺมินะชัยควนิร์จี أيناهما الكتاب المستبين؟ وهديناه م ص ر ا ا ل وهديناه م ص ر ا المستقيم. تركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وسلام سلام على موسى ด้นั้นจั่น يا س ل ا م ن المرسلين إ ذ ق ا ل ل ق و م ه أ ا ت ت ق و ن ذ ق ا ل ل ق و م ه ا ت ت ق و ن ب س م ح ا ل ل ه ِ ن ا ل ح م د ل ل ه น ح م د ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ห ن ف س ن ا ومن سيئات ฮ ع م ا ل ن ا من ي ه د ม الله فلا مضلله ومن ي ิ ل ل فلا هادي له و ฺ ش ه د ฺ ن لا ล ل ه ฺ ل ا, إ الله و ف حد ه لا شريك له و ฺ ش ه د ะ ن م ح م د อ ا นมุฮฺมฺมฺมฺ ل ฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺมฺม و ่าบิค ي นนำมุธว่าบิไลคันนุษย์อ้างอยู่ในคำว่าติลล่าฮิตต้ามาติมินชอร์มะ خلق บิสม م ลลาฮิลลัลลิลาห์ยัดุร์มะอัลหมิฮิชัยอุมฟิลอาร์ดิวลาฟิสต์และวะฮฺว ل สัมย์อัลอาลิมรดีตุบิลลาฮิรับบะวับิลอิสลามดีน่าวับิมุฮ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 ว่า خير มะเบื้องด้วยเบื้องด้วยเธอรับี أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมัสกาบองที่มัสยิดอันวาลิสุนนะที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ติดตามรายการ ตับซีอุตสุกรานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านบางคนก็นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับความจริงหัวหน้าคุยจัดตับซีเนี่ยใครจะหิยเฉลิมเนี่ลฮัมดีลิลเรหต้องขอบคุวความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้มาใช้ความเก่งของเรานะ อย่าไปคิดเลยว่าเราเนี่ยเก่ง น, นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหุบตาละต้องนึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆการนึกถึงอัลลอฮฺเนี่ยทําได้สีแบบข้อที่หนึ่งนึกถึงอัลลอฮฺด้วยการอ่านกุรอานเป็นการนึกถึงอัลลอฮฺที่ดีที่สุดเลยอสองเหมือนท่านนาบีเหมือนสัฮาบา น, นาบีสองนึกถึงอัลลอฮฺด้วยการ ก ذكر ุลอลลอฮ์เนี่ย سبحان ุัลลอฮ์ سبحان ุัลลอฮ์ سبحان ุัลลอฮ์ سبحان ุลม ليك อัน ق د, د, د, و د و س เราเข้าเวลาเวลาคุยกัารอวาเยอะๆนัทั้งวันนั่นแหละทำงานด้วยว่าด้วยนึกถึงอัลลอฮ์้วยกันขอดูอาีสามนะข้อที่หนึ่งิกุลลอฮ์โดยการอ่านอัลกุรอานจิกุลลอฮ์โยการ ขอดอาวิกรุลล้อด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์แล้วข้อที่ 4.. ีเนี่ยวิกรุลล้อด้วยการเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามนั่นเป็นการวิกรุลล้ออัลลอฮ์เอาไว้เห็นยังครับนี่ใครในนบีแนะนำกาั้รบรรดาศาบดิ์ น, นาบีเนี่ยเขาเขารับศาสนาอิสลามอยากให้อิสลามเนี่ยจเจริญไปอยู่ทุกลังคาเรือน แต่วันนี้เราก็เอาคําสอนของท่านเยอาคําเตือนของท่านเนี่ยมาใช้อยากให้อิสลามเนี่ยอยู่ทุกลังคาเรือนในประเทศไทยนั่นนะทั่วโลกทันนะแต่ว่าความเป็นไปได้ที่อิสลามเนี่ยจะเจริญเป็นไปได้สูงครับค่อยๆทีละขั้นละขั้นละกานแต่ขณะเดียวกันมุสลิมก็ถูกลังแกด้วยคนทีวางแผนรังแกอิสลามมีไหมเยอะมากครับ รังแกอิสลามรังแกคุรานรังแกสุนัขนบีรังแกผู้ศรัทธ า, าต่ออัลลอ์ทั้งหมดเหล่านั้ AH นอะัลลอ์เล่าในคุรานให้ฟังเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่ถูกรังแกมีรางวัลตกบแทนจ AH. ากอัลลอ์เยอะมากเลยครับคุรานอยนายาไหนครับวัลลนละีนาฮจารูวะอัครีจูมินดียารฮหม ว่าอูรูฟีซาบีลีวะกอตาลูวะาุติลูใช่ไหมห้ า, ห, าห้ากลุ่มและอุกฟิรอนนานหุม่มเัยยาทิฮิมวะละอุดขิลันนาฮุมจันนาจินตัจรีมินตาทิหัลอันฮาร์คนที่ฮิจราระอพยพอยู่ประเทศตัวเองไม่ได้เยอะมั้ยเยอะครับสองคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านเมืองตัวเองอย่างพวกปอลิสตาน ว่าอูดูฟีซบีลีคนที่ถูกรังแกนในคุณทางของอัลลอฮ์ว่ากอตะลูคนที่ทำสงครามกันว่ากูติลูแล้วก็ถูกฆ่าด้วยห้าห้ากลุ่มนะและอูกฟิรอนนานหุมซายยะที่อัลลอ์สัญญากับเพื่อมงานนะเราจะอภัยโทษในความผิดของพวกเขาทั้งห้ากลุ่ม ห้ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มมุสลิมหมดเลยใช่หรือไม่ใช่และคนที่ทำลายกลุ่มมุสลิมนะครับยะฮูดีก็พูดชัดๆเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้นะั้ยลูกชายของนบีอิสฮากมีกี่คนสองคนคนโตชื่ออีซูคนน้องชื่อยาฮูอัลดย์อิสลามจำได้นะ เล่านิดนึงอีซูเนี่ยออกไปหาอาหารพราะพ่อสั่งไปจัดอาหารมาให้พ่อแล้วพ่อจะขอดัาให้อิซูเนี่ยมีลูกมีห ล, ลานเป็นคนซ้อและเป็นคนดีส่วนนอ้นองน้องชายนบีไร้ดียากูบอ่านได้ยินแม่ก็ส่งเสริมได้ว่าลูกยากุปไปทำอาหาร ก่อนทีอ่อีซูจะมาเนี่ยเอามาเลี้ยงพ่อก่อนทุกคนมาหวังดีัปหมดแล้วนะดูแลพ่อเลยแนะนี้อิชาคนนึอิชาเนี่ยตาเป็นไงพอแก่ๆแล้วก็ตาตาบอดเสร็จแล้วก็ยากูก็จัดอาหารเชืออแพะตัวหนึ่ง ย, ย่างอาหารอร่อยๆม่ให้พ่อทานพ่อก็ไม่รู้ว่าใครนะนึกว่าอีซู พอฟังเสียงพูดนี่มันไม่ใช่อีนซูนี่อิยากูบมมนใช่หรือก็ใส่เสื้อของอีนซูเนี่ยมันก็ปอบตัวม า, มาแล้วก็ทานอาหารพอทานเสร็จแล้วก็ขอดุอาให้ยากูกมีลูกมีหลานไีลูกหลานที่ซ้อนแลกรับผิดชอบดูแลงา น, านศาสนาของอัลลเพ์พออินซูกลับมาจัดอาหารมาให้พ่อทานพอาน่อถาว่าเมื่อกี้นี่ ก็เอาอาหารมาเลี้ยงเริ่มไม่ใช่รือนิสว่าเปล่าฮ่าก็มองไปที่น้องชายยากรุติชานะเริ่มอิจฉาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็วางแผนนะจัดทำลายยากรบอิซูเนี่ยตอนนี่วันเราทำลายวางแผนจะฆ่าด้วยนะแม่ก็รู้แม่วมพวกกระสิบหลุ่นโยากรุไปที่อื่นไป หลังจากพ่อตายจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่ายากรูปอ่ะทล้วนายเอกูคนออกจากบ้านไปเลยก็ไปแต่งงานอยู่ต่างประเทศใช่ไหมยากรูมีลูกกี่คนอ่ะสิบสองคนนี่ยากรูปนะมีลูกสิบสองคนมีภรรยาสองคนประวัติของยากรูปนี่ภรรยาคนแรกเนี่ยลูกลุงลุงนี่มีลูกสาวสองคนอีกประเทศหนึ่งนะ พอไปถึงกลับไปทํางานแบบนั้นดีมูซาเลยน่ยไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก่อนหลายปีเสร็จแล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของลุงชอบน้องสาวก็ขอกันแต่งงานกันพอตกกัางคืนเนี่ยส่งพี่สาวเข้าขอส่งพี่สาวเข้าหอมาจะส่งน้องสาวคนรักนี่ย อ๋อสมัยก่อนเนี่นะพอตื่นเชา้าไปมาเพิรู้ว่าไม่ใช่คนที่เรารักนะแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องการที่เราต้องการน้องเขาว่าประเพณีปฏิบัติหมู่บ้านนี้เข้าฉนะนั้ะประเพณีปฏิบัติหมู่บ้านนี้น้องสาวจะแต่งงานก่อนพี่สาวไม่ได้เอาอะไมาเอาประเพณีปฏิบัติใหญ่กว่าคําสั่ง ของอัลลอฮฺเห็นยังครับนี่พวกบนันที่อิสลามหมดเลยนะแล้วอ้าจะแต่งกับน้องสาวก็ได้แต่ต้องเลียนแพะอีกแปดปีแล้วก็ต่อมาก็ได้แต่งงานกับน้องสาวนะครับพอแต่งงานกับน้องสาวแล้วเนี่ยแต่งกับพี่สาวมีได้ลูกสิบคนอีกแปดปีมาแต่งกับน้องสาวได้อีกสองคน คนเลียงชื่อบินยามินคนโตชื่อยูซุอันเดอสิสลาวเป็ น, นเป็นอับบหมดเลยเพราะอิสราขอดุอาศไว้ใช่ ไ, ไหมนี่เป็นกรณนนีตัวอย่างแต่ว่าทำไมอีซูจึงได้เกียดชังโมโห ว, วางแผนที่จะฆ่าน้องชายตัวเองเนี่ยในคุณอายไม่ได้เล่านะแต่ในคัมภีร์ไบเบิเลอยู่ในอัลกิจตาบเขาก็คุยคุยกันแบบนี้ครับมันทอยู่ในหนังสือมุสลิมหมดเลยนะ เราต้องการจะอธิบายว่าอิซูเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่วางแผนทำลายน้องตัวเองแล้วก็ต่อมาก็มาถึงอีกแมาถึงนบียูซุฟอีกใช่ไหมล่ะลูกของอิสฮากนะใช่หไหมล่ะนพวกบรรดายิสราเอลทั้งหมดเนี่ยทำลายน้นองชายใช่มคือยูซุฟเห็นยัางไอทำลายเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะถ้า ม, มาจากอัลลอฮฺเราซูลไม่มีครับนี่เอามาจาก ความคิดของลูกเองที่มาด้อาศัยหลักการศาสนาพุยฮูดีไม่ไม่พอใจที่เล่าเรื่องนี้ให้สังคมให้เนบีมุฮัมมัดรู้งก็เลยแอนตี lam, ้อิสลามแอนตี้มุฮัมมัดก็ญาติพี่น้องกันเองนะั่นแหละใช่ัหมนี่เล่าให้เพื่น้องฟังเพียแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้มาเจอคุรานญาติที่เทรายานหนึ่งร้อ ว่าตนาฮุมัลก i t a b a l m u s t a b b i ว่าตนาฮุมุลว่าตนาฮุมะลก i t a b a l m u s t a b b i อัลลอฮุอลัยฮิวะลลาฮฺอะลยิลลนี่เรากูดเ่อยู่นในประวัติของนบีนะนบีสองคนนะนบีอะไรนะ นบีมูซากับนบีฮารูนฮารูนเป็นพี่ชายนะมูซาเนี่ยเป็นน้องชายอาลัลลอฮ์แต่งตั้งเนให้นบีมูซามาทํางานาศาสนาให็นไหมงานาศาสนาเป็นงานที่ประเสริฐพี่น้องอย่าไปดูถูกว่างานเชิญชวนคนให้ทําความดีนะเป็นงานเลวไม่ใช่เป็นงานดีจริงๆอะ่ะแล้วใครที่ทํางานาศาสนาอาลัลลอฮ์ให้บราริกเกกับชีวิตของคนคนนั้น แต่อาชีพอื่นก็ทําไปด้วยนะไม่ใช่โอ้ไม่รับผิดชอบดูแลพระยาแบบข้าก็กดา่าันอีกแตนะ่ว่ามาดูแลลูกเมียด้วยหาเงินหาทองหาลิสกีด้วยแบบนบีไงนบีก็ทํางานดูแลด้วยแล้วก็ทํางานศาสนาด้วยนบีมูซาขอดุทิอลัลลอฮ์ให้หมดเลยอะ่ะเช่นขอดุอาให้สารได้ทูตจาร้องครอ ง, รองเพราะนบีมูซาพูดติดอ่าง อัลลอ์ให้หมดเลยขอให้นบีฮารูนพี่ชายมาช่วยงานศาสนาอาลัลลอ์รักหมดเลยเอลัลลอ์เลยชมนบีนะบอกว่าไม่ได้ให้มาเปล่าเปล่านะว่าัยนาหูมาหูมาแปลว่าเขาสองคนถ้าหูว่าเนี่ยเขาคนเดียวและเราได้ประทานให้แก่เขาทั้งสองหูมามีอลิลฟอยู่ใช่ไหม ฮามิมอลีฟเนี่ยฮูมาแปลว่าเขาสองคนต้องเรียนภาษาัาเรียนหฮูไวยากรณ์เล็กๆน้อยๆ จ, จะเข้าใจาง่ายนะว่าัยนาฮูมาและเราได้ประทานให้แก่เขาทาสอนให้แกใครรู้ไหมให้กับมูซาและฮารูนประทานอะไรอัลกิตาอะไร อันนี้รู้ใช่ไหมว่าเข้าหูหดประจำใช่ไหมคําพีถ้ากับนบีมูฮัมหมัดกีตาก็คือกุรานถ้าให้กับนบีมูซาก็เิรตเตารอคําพีเตารอกับกุรานในประทานลงมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคําพีคุรานให้การนบีมูฮัมหมัดเนี่ยที่ภูเขาเหมือนกันให้กับนบีมูซาก็ที่ภูเขาเหมือนกันแต่คนละประเทศ ให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยทยอยให้ลงมาใชหมทีละอะไรประทานครั้งแรกให้กับนบีมุฮัมมัดที่ภูเขาทิโระเห็นไล่ะภูเขาะิร่หรือเปล่าขาโนดอ่าเห็นมห้าอายะอิกรบิสิรบบิกลลอิกราวละมบิลกทยอยลงมาให้ยี่สิบสามปีของการเป็นนบี แต่ประทานคัำพิตารณ์เดียครั้งเดียวนะประทานแล้มาครั้งเดียวให้กับนบีมูซานาบีขึ้นไปบนภูเขาเหมือนกันไปรับวะฮีก็สี่สิบวันเหมือนกันของนบีก็อยู่หลายวันนะนะแต่มันด้บอกว่ากี่วันแล้วก็ลงมาหามาเอาอาหารภรรยาไปขึ้นไปต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นนะนบีมูซาก็ทําอย่างนี้แหละแต่การปร ะ, ประทานคัมภำพิจารานตอบคำพิจร์เตาร้อนไม่เหมือนกัน เขารอแต่รอในประธานครั้งเดียวฮัมดุลิลลาส่วนผุ้อานนั้นทยอยลงมากี่ปียี่สิบสามปีประธานที่นครมักกะและที่นครมดินะสองแหลนนะครับฮามดุลิลลาเอาเอ า, เอาความความรู้ตรงดีไปเล็กๆน้อยพอวาเจนาฮูมาฮุมัลกิตาบัลมุสตบีน มุสตาบีเนี่ยแปลว่ามูบีนุนแปลว่าชัดแจ้งแจ่มชัดไม่มีข้อและตำหนิคำทีเตรารอกัเหมือนกั น, นกแบบโุาราณเลยชัดช่อยชัดคำไม่มีอะไรตำหนิ อ, อ๋อแลมาจากอัลลอฮ์จริงๆด้วยแล้วก็ประทานให้กาบีมูซาไปขึ้นไปบนภูเขาให้ครั้งเดียวเลยจบทุกรายการเลยเรื่องบั ญ, ญัติิ์ประการอ่า แต่ละตอนนี้ถามว่าในคัมภีร์เตาร้อนมีอะไรสอนเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะสอนเรื่องมารยาทหมดเลยแต่เรื่องต้นก็อย่าตั้งพาทีกับอัลลอฮ์เรื่องใหญ่นะครับทุกนบีสอนเหมือนกันหมดเลยเรื่องสอนเรื่องเตารีก่อนนะครับสอนเรื่องเตารีกอย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ให้ครู้อัลลอฮ์องเดียว วสอนมา ต, ตายแล้วต้องฟื้นนาะตายแล้วมาเสีตายเลยแล้วก็วันเกียมากมีจริงใช่ไหมอย่าตั้งพาคีกับอโลเรื่องเน้นเรื่องเตาให้ก่อนแล้วก็ต่อมาก่อนเน้นเรื่องอัคลาเรื่องมารยาทนะครับที่เราอ่านกันอะไรวันศุกร์นะชไหมสุดยอดสับเบฮิสนะใช่ไหมละ่ะอะไรนะ สุขวิบวริมวาวมูซาน่นะใช่ไหมเตือนนะเตือนเตือนมุมินสมัยนบีมุมัม m m a d ให้นึกถึงนบีมูซาเยอะๆพราหนบีมูซานี่ประสบการณ์ออัลลอฮ์เยอะมากเลยแล้วก็มีเหตุการณ์กับกับใครนะกับฟาโร่เนี่ฟิราูลเน่ยเป็นกิงนะเป็นพระราชาน่ยนะโอ้โหต่อสู้กันเยอะมากเลยแล้วก็ชน ะ, ะชนะ แล้วก็ฟาโรห์จมนำตายเห็นยังครับฉะนั้นกับอิสลามนี่ยอย่าไปแตะนะเองยใครก็ตามที่แอนตี้อิสลามระวังให้ดีนะเหตุการณ์ที่อัลลอ์เล่าให้ฟังสมบูรณ์ในมุสลิมชนะหมดถ้านบีถูกฆ่าก็ฆ่าตาเฉีดใช่ไหมผลบุญเป็นชาวสวรรค์หมดเลยท่านอย่าอย่าอย่าคิดอคติตอหลักการอิสลามอย่าอคติตะครูอานอย่าอคติตับนบีอย่าอคติกับสุนของท่านนบีคาสออย่าอคติ เดี๋ยวนี้มีข่าวออกมาบอกว่าคุณนน บ, บีนสอนวิธีการการการดื่มน้าให้ดื่มครั้งแรกไม่ให้เกินกี่อึกสามเออให้ดื่มกีละอึกละอึกล้อ่านบิสมิลลาก่อนวิจัยกันออกมาแล้วมีคนโทรศัพมาหาผมอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าไปกินน้ําแบบยืนกินด้วยนะ มือซ้ายด้วยเลยนะเอื้อเอื้อเอื้อเอื ok, ้อทำสุขภาพไม่ไม่แข็งแรงนะสุขภาพแย่นะแล้วกินยังไงให้ดีนะ่ะให้นั่งเดิมดื่มที่ละเอึกอละเอื้น้ําที่ลงไปนะทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะมาแล้วพิสูจน์พิสูจน์แล้วไปไหนเข้าหาหลักการของนบีหมดเลยยังยังครับขัดยาทรยศตัวคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็มีอีกตัวนี้นบีนะ่ะใส่เสื้อไปน้องจับจําได้ไหม เสื้อนบีเนะี่ยไม่จะไม่จะไม่จะเสื้อแฟชั่นนะซักเองแล้วก็มีรอยขาดใช่ไหมปะเสื้อผ้าเองอนะ่ะเดี๋ยวนี้แฟชั่นออกมาใหม่แล้วนะเสื้อขาดราคาแพงด้วยนะแต่ผมไม่ได้เรียนแหลบแบบนบีหรอกนะเดี๋ยวนี้การว่าเสื้อไอ้เสื้อขัดขาดดีนะแต่มันไม่มีรอยแปะเริ่มเอาซูน่านาทีมาใชา้แล้วก็มาหากินกันด้วยนะ นี่คนประเภทนี้เนี่ยอันตรายนะไอเราเนะี่ยชายเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ น, นึกถึงสุนัขดับบี้นะอย่างไรล่ะรอสิบปีสิบห้าปีมันใช้ได้ก่อใช้ไปก่อนอย่างนี้เป็ตน้น <c oughs> แต่ทำโดยเรียนรู้หลักการอิสลามสอดีบทครับเอาต่อมาครับ <c oughs> อายาที่หนึ่งรอสิบแปดวะฮัดไอฮุมา ว่าเดินฮมรตอลมุสติ ي มว่าเดินนะฮุมัศรัตุอัลมุสติ قي มอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัฮฺอัลลอฮฺอัฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลออัลลอฮัลอั ผูมามาถึงมูซากับฮาลูนเนี่ยร่อนเล่าใ น, นก็าแฟก่อนให้ น, บ, มม น, นะนบีมุ hammad ฟังนะที่นบีมาโมซากับฮารูนเนี่ยโยนในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นคริสต์นะไม่ใช่เป็นยิวนะไม่ใช่นะนบีโ ม, มซาเป็นมุสลิมพี่น้องอยากเข้าใจผิดว่านี่เป็นคนยิวไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าเชิญชวนคนให้รู้จักเอาล็อกองเดียวนะเป็นมุสลิมยัง มุสลิมอ่าวะฮะไดนาฮูมาและเราได้นำทั้งสองคือมูซาและฮารูนนะั่นอัสซิรอเราพูดทุกวันวันกี่เที่ยวนะ่ะอีดีนอสซิรอตอลมุส ต, ตีมใช่ไหมอันนี้สุราฟาฏิหาอัลลอตก็ใชายสับคำเดียวกันคำเพียวเตารอนอนะ่ะมีคำสอนนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งทำยังไงล่ะ แต่นี้เราอยู่ในยุคนบีมุฮัมมัดยุคกุรานเอาคำพีตอรอ์ลมาใช้ได้มหมเอาล่ะห้าม อ, อย่าอยาอย่าเอามาใชา้เพราะเราอยู่ยุคสุดท้ายเรามีคำพีคุรานอยู่ในบ้านเราแล้วเอาจะพี่คุรานถ้าพี่น้องเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์คริสเตียนหรือในโบสถ์ยิวก็ากาตามเนี่ยเวลาเขา เ, เอาคัมภีร์ตาอร์อินยืนมาอ่านเนี่ยนั่งฟังเฉยเฉยเชื่อหมดก็ไม่ได้ ปฏิเสธหมดก็ไม่ได้ทำไมเพราะว่าปฏิเสธได้ไั้มเพราะเป็นคัมภีร์ของของอัลลอฮ์เหมือนกันปฏิเสธไม่ได้เลยแต่เชื่อหมดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าบางอาย่าเนี่ยมันมันยัดเข้ามาเนี่ยมันสัมคยานามันเปลี่ยนแปลงไปมาเอาเตปันความรูปผ่านสติ ป, ปัญญาเนี่ยใส่ลงไปฉะนั้นอุลวะเขาแนะนํานะเข้าไปในบทก็ฟังอย่างเดียวไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดและปฏิเสธ ท, ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่คัมภีร์อุลาะเนี่ยเล่มเดียวที่ อ่านแล้วมีผลลบุญตอบทัตงคำพีเตารอาก็อ่านแล้วก็มี ม, ม, ม, มีรางวัลนะทำให้สมองเนี่ยเบรนเนี่ยดีด้วยคนอ่านกรงอ่านทุกวันเนี่ยนะสมองดีดีครับไม่คล้ายเป็นโรค อ, อ, อัลไซเมอร์ไม่เป็นชาวร้านนะบุรามากเนี่ยอายุยาวคนทุกคนอย่างน บ, บีทุกน บ, บีเนี่ยอายุยาหมดเลยนะ นบีมุซาเนี่ยร้อกว่าร้อยสบ็ดปีนะเพราะก็อยู่คัมภีร์อยู่คัมภีอยู่คัมภีรคัมภีรคัมภีรคัมภีรมภีร์ัมภรมัมมัดเอาล้อให้สั้นพอหน้าที่หมดเนี่ยไม่ใช่นะหกสิบสามปีเนี่ยหน้าที่หมดตายไม่ใช่ป่วยตายนะเพราะว่าหน้าที่มาสอนศาสนาหมดอย่าอยู่เอาล็อกไปเก็บไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะตัวรองว่าคัมภีร์เตาล้อเนี่ยนะ ที่ทางนําคนไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงคนยุคนูน้นอ่าคนยุคนูน้นมันจะยุคนี้ยุคนี้ตัวเอาได้ ม, มาเป็นหลักฐานนะนี่กุรอานมาเป็นทางนำสําหรับชีวิตคนเรายุคคนเราสมัยแต่เอาล่อเล่าให้เบียมุฮัมมัดฟังต่อมาครับวะตาโรคนาอัลไลฮิมาฟิลอะคีริน วตารักน่อาเลยฮิมาฟิที่สิรอุ๊ย้ออันนี้ดีมากครับวตารักนาะแปลว่าเราได้เลยนะได้ละเอาไว้ได้ละเอาไว้ได้ทิ้งเอาไว้ได้เก็บเอาไว้มันจะตารักก็แปลว่าวทิ้งนะ น, นี่เราได้เก็บเอาไว้เอาเลยฮิมาแก่เขาทั้งสอง ภูมามายุนคทายนบีมูซากับนบีฮารูนเก็บอะไรไว้อัลฟิลอาคิรินในหมู่ชนรุ่นหลังเก็บประวัติดีๆของนบีมูซากับฮารูนที่ทำงานาศาสนาของอัลลอฮ เก็บเรื่องเหล่านี้วรรณคพีโบรานให้เด็กรุ่นหลังให้ชนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังจากพวกเราวนนี้ได้ศึกษาได้รู้โอ้โหนบีมูซานี่อัลลออักบัอัลล์เก็บเรื่องมันหมดเลยใช่ไหมล่ะเอาเก็บฟารไว้เปล่าสัตรูของนบีมูซาเก็บเป็นมัมมี่เอาไว้ที่อียิปต์ใช่ไหมนี่เก็บไว้ นักอล่าเลก็เพียงนงานใม้บุญมาฟังนะฉันเก็บเรื่องราวของนบีมูซาทั้งหมเนี่ยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงในทางที่ดีๆคังดีเลยอ่ทีนี้นบีมูซานี่กับพวกบรรดานอิสราอีนี่กับฟาโร่ด้วยนะโกรนนะไม่ตามก็สามสี่สิบปีนะทำงานศาสนาเนี่ยดูที่ คนบันนีอิสราอีนกับพว ก, พว ก, พ, วกพวกบันีพวกอะไรพวกพวกฟาโรเนี่ยนะมันก็อร่อยจริงๆนะบอกเนี่นบีมาสอนว่าอาลอหงองเดียวต้องเชื่อเอาลอฉันจะไม่เชื่อเอาลอฮัดานารอลออลฮจารรอจนกว่ญญาฉันจะได้เห็นหน้าอาลอกกอเ็นยังนี่อลอเก็บภาษาของพี่น้อง ของญาติพี่น้องของน บ, บีมูซาพวกฟาโร่เนี่ยแหละแล้วก็พวกบันิอิสรอินใช่ไหมมันต่อต้านน บ, บีมูซาพูดอย่างไงแล้วเก็บภาษาไว้เลยนะเราจะไม่เชื่อลันโนมินาแล้วก็ฮัตตานารอฮันยะร์เราเคยได้ยินใช่ไหมอาญาณีอยู่ในสรบบารบกเรอนอะเราจะไม่เชื่อคําสอนของท่านจนกว่าฉันได้เห็นหน้าอัลลอฮ์ซึ่งซึ่งหน้าก่อนถึงจะเชื่อว่าอัลลอฮ์มี วันนี้ภาษานี่ยังดีมั้งยังไมีอยู่นะสมัยนบีมุฮามัดนี่ว่าเจริญที่สุดแล้วนะ <c oughs> ขนาดพิสูจนีอะไรได้นะแต่พิสูจนอย่างเดียวพิสูจน์เอาเราไม่ได้เท้งนั้นเองอะ่ะเราจะวัดใจเองอีหมานหรือเปล่าเพราะนั้นคนที่เข้าสวรรค์นเนี่ยเพราะอีหมานที่เขาบริจาคเพราะอีหมานที่เขาดูแลลูกภรรยาก็ดีเพราะเขาอีหมานขมนามาทะเลาะกับญาติเราเพราะอีหมานครับไม่ใช่เพราะเงินเพราะอีหมาน พราะอีมาแล้วเรายอมเสียสละทุสิ่งทุกอย่างลุกขึ้นมาแตา่ฮัตหยุดได้เพราะอีมานนะนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งพวกฟีโรเอนเนี่ยอัลลอฮ์กะทานอะไรให้อาหารมามีสองชนิดนะไม่ต้องเหนื่อยเลยนะอัลมันนะ่นอัลวาสลวาให้นกคุ้มมาแล้วก็ของหวานม า, ามาจะฟาฟาหนะโปรยให้อ่ะนี่อลัลลอฮ์เมตตาพวกบนไอโซโรเอนอย่างเมตตา พอกินไปกินไปพูบ้บลับว่าลันนอสบิรอาลาตออามิวา่าให้ฉันกินอาหารรายการเดียวเบือ่อทนไม่ไหวแน่อยากกินครั้งอื่นอีอยากกินพริกอยากกินแตงกวาอัลลอฮฺว่ า, าอัลลอฮ์เก็บภาษาเลยเล่าว่าเรานะี่ยให้อาหารกับพวกเขาเนะี่ยรอว่ า, าไม่พอใจอ่ะ นี่ไอเรื่องไอเรื่องแฉเรื่องอย่างนี้ยะฮูดีไม่พอใจเหมือนกันอ่าทำไมต้องมาเล่าเรื่องของฉันให้นาย ม, มอห์มัดฟังกันมานี้ให้คุณงอ ม, มุสลิมรู้ทําไมว่าพฤติกรรมหรืออัคราของคนยะฮูดีมันเป็นยังไงเนี่ย อ, อ, นนกกกกอัลลอฮ์ในก็พี่กุณอานหมดเลยแทนที่มันจะสํำนึกตัวมันกลับยิ่งตะแบงต่อไปอีกเอาเองตะแบงต่อไปเองเจอนะอ่าแล้วก็ความชั่วที่ที่พวกนี้ปฏิบัติอย่าไงไรบ้างยึดลูกวัว ยึดลูกลูกวัว เ, เป็นเป็นเป็นพระเจ้าอ่ะช่วงที่ดีมิโซาขึ้นไปรับอะไรนะรับคำพิรีเตารอบนภูเขาสี่สิบวันนี่นะอยู่ข้างล่างนี่เอาแล้ว <c oughs> นี่ความระยำนะและอีกข้อหนึ่งพวกบันอิสรอเอลพวกฟาโรทั้งหมดเนี่ยเวลาจะสาบานเนี่ยมันใช้สัพป์ภาษานี้นะฉันขอสาบานต่อต่ออะไรอะ่ะ ต่อเดชาุภาพของฟิลิปด้วยความสามารถของฟิริปเวลาเขาสาบานนะสาบานต่อฟาโรเลยนะอ้างฟาโรเวลาสาบานเนี่ยส ม, ยมัยในรุ่นมาเตียสาบานกับใครเอาล็อกองเดียวนะแต่ด้วยความชั่วของพวกเขานั้นเข้าใจว่าฟาโรนั่นเป็นพระเจ้าจริงๆเลยแล้วก็ฟาโรก็ประกาศนะ อนาร บ, บุกมูลอาลาฉันเป็นพระเจ้านะอง์เดียวนะดูแลโลกใบนี้แต่เพียงตัวเดียวแล้วคนมามีเงินมีอำนาจเนี่ยมลืมนะลืมตําแหน่งตัวเองวอง่าตัวเองเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะนึกไปเป็นพระเจ้าหมดเลยนะอันนี้แตกการเมืองเล็กน้อยๆ น, นะครับ ถ, ถึงบ้านบนุญบงไทยด้วยนะครับต่อมาครับแล้วก็ซึ่นงนี่พไปนอง สั่งให้กอรูนเนี่ยอธิบานยนะสร้างหอสร้างหอขอสูงสูงอะ่ะสร้างทําไมแล้วก็บอกบอกบอกวิธีสร้างด้วยนะเอาเอาหินเนี่ยเอาเอาเอาดินเนี่ยทำเป็นหินเอาไปเผาไฟนี่วิธีการทําอิฐทําหินคุณนกักพิธีอุราด้วยบอกวิธีการทําหินในะสมัยฟาโรห์เขาทำกันแบบนี้ เพื่อจะให้อุมมาเนาบิลมตัตไดเอาไปใช่ไงเห็นยังครับเนี่ยคุณอ่านนะนะพอทํำหินเสร็จแล้วฟาโรห์สั่งให้ก่อเป็นอาคารสูงมันตึกสูงมากเลยก็ไปก่อทําไมฉันจะขึ้นไปดูว่าพระเจ้ามูซามูซาบอลอยู่ข้างบนข้างบนฉันจะขึ้นไปดูหน่อยก็ขึ้นไปจริงจริพอลงมาบอกว่าพระเจ้าพองมูซาไม่มีแล้วเหมือนกันรัเสเซียกัอเมริกาก็พูดเหมือนกันวันนี้นะ อเมริการัสเซียส่งใครดาวอะไรเงี้ไปอะพอลโลใช่ไหมเป็นลงที่ดวงจานดวงไหนก็ไม่ทราบ น, นะพลลงมาฉันไม่พบพระเจ้าแล้วก็อเมริกาก็พูดเหมือนกันอลอ ก, กเรียนฟาโร่โลอกเรียนศัตรูของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าแต่อัลลอฮให้อยู่อายุไปบนโลกดุนยาใบนี้ใบเดียวนะหลังตายเองมุสิทินะ จะเตือนพวกเราด้วยนะครับอย่าทนงตนอย่าเย่อยิ่งย่จงหงอย่าตะกูต่อคสั่งของอัลล์ุฮานบะตาลาะขอมาครับส a l a n ala m s w w a r u n l a h u akbar hamdulillah ดีจริงๆครับส alamun a l s a l a h อยาที่หนึ่งย120นี่นะนี่อัลลอฮ์เล่าใหน บ, บีบมูฮัมหมัดฟังให้พวกเราฟังว่าอัลล์เนี่ยให้เกียรยกย่อง น, น บ, บีมูซากะฮารูนขนาดไหนอขอดวอาให้นะเห็นไหมสาลามุนแปลวะา่าสันติสลามวะเล็กุ้มนะขอความสันติจงประสบในท่านที่เราเอามาใช้ทุกวันเห็นหน้ากันสลามวาะเลกุมเข้าบ้านสลามวาะเลกุมเห็นหน้าพระยาสลามาละเลกุม อัมาริยาของอัลลอ์ที่เล่านะบีมูฮัมหมัดฟังเนี่ยฉันเนี่ยประทานความสันติให้กับใครอลามูซาแล้วก็วาฮารูนทั้งสองคนเลยมีแต่ความสันติเรื่องชั่วไม่มีเลยครับในตัฟฟิกอธิบายอย่างนี้ครับอัลล์เนี่ยให้มาละอิกาเนี่ยสลวาเขาเขาสันติการตบีมูซาฮารูนให้มนุษย์ด้วย ให้ยินด้วยใช่ ห, หมสลบ า, ายเจ้าครกับบรรดานับีทั้งหมด้เราเองก็ขอรูอาระจาจะแม้ที่ อ, อะไรบ้างรับอะไรกตอนจะจบนะสัลามุนอลลมุสลิอ่าวาส alamun อลัลลมุสรรลิณ وال ฮมดุลิลลฮร็อบบนลนขอความสันติให้มีกับนบีทุกคนที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเราขออยู่แล้วใช่ไห วัสลามุณอัลลมุสลลีนวอลฮัมดุลิลลอฮ์ยูรบบินอัลเมินก็ความสันติจงประสบกับบรรดา น, นบีทุกคนที่มาในโลกใบนี้ซึ่งนบีสั่งให้เราขอดุทิให้กับบรรดา น, นบีฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเก็บเรื่องนบีมูซาเอาไว้พูดจาในทางที่ดีๆให้คนได้อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่มีไม่มีคนใดด่า น, นบีมูซาเลยนะใช่ไหมฟ <laughs> าโร่คนเดียวที่เล่นงานนบีมูซาอยู่นะ เอาต่อมาครับทีน <c oughs> ี้ในคัมภีร์คุณอ่านพูดเรื่องนบีมูซาไว้กี่ครั้งถูกไหมร้อยสามสิบหกครั้งในคัมภีร์คุณอ่านเ อ, อ่ยเชื่อคําว่ามูซามูซามูซาเนี่ยร้อยสามสิบหกครั้งแล้วก็พูดเรื่องนบีฮารูนเนี่ยน้อยกว่ายี่สิบครั้งแต่ทางานเหนื่อยด้วกันทั้งคู่นี่แหละ แต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยผ่านผ่านมูซาก่อ น, นอ้าทีนี้นบีมูซานี่อๆๆัลล์เล่านบีกุนอ่านบอกว่ามอุอาจิกาที่ผ่านนบีมูซาเนี่ยเยอะนบีมมานี่สามร้อยกว่ามุ่สามรอยกว่ารายการนะสาหรับนบี ม, มหามาถึงมุอาจิกาประมาณสามร้อยนะ ของนบีมูซาเนี่ยอัลลอ์ให้กับนบีมูซาพานนาบีมูซามาทำดีและไม่ดีเพื่อที่จะให้คนชั่วๆในเมืองวันนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนความรู้สึกได้อย่าเย่อหยิงอย่าจองหองอย่าอวดดีให้นอบน้อมถ่อมตนให้หันมารับอิสลามเลยนะให้เก้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งให้อะไรบ้างให้ไม้กระพดนาอาซัซอกับนบีมูซามา พยโยนไม้เป็นอะไรที่เรารู้มาเนี่ยเป็นงูเห็นไหมเรื่องเรื่องเรื่องที่สองให้มีลมพายุมาเพื่อเตือนคนชั่วให้สํานึกตัว่มันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนต่อมาส่งโรคระบาดมาเป็นตกกะกั่นเข้าไปในบ้านเต็มไปหมดเลยเลิกไหมไม่เลิอกอีกอต่อมาส่งมาอีกส่งหามากุ้มมั่นต่อมาส่งกบมา ตากน้ำเดียเจอกบโจกบในบ้านก็เจจกบบนที่นอนก็มีกบไป ม, มาโอ้โหต่หมดเลยนี่อลอสเล่าให้นบีมาฟังะฉันลงโทษเขาเลยนะผ่านนบีมูซาเนี่ยครับแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเป็นเลือดหมดเลยอะ่ะรออักบัดวัดดำมาเป็นเลือดหมดเลยครับ โพดี้มันก็ขอร้องมซาช่วยขอรอ้่ออัลลอฮ์ะนะฉันอยู่ไม่ไหวแล้วมันมีแตน้ําจ่กินมีแต่เลื่อนเืออัดเดีซาขอเลินเลกนะครับครับครับครับพอขอแล้วเหมือนเดิมใช่ไหมต่อมาครับให้แห้งแห้งแรง <c oughs> ต่อมาครับให้ผลไมาขา้ขาดขาดแคนมาสมัยนี้อัลลอฮ์ปรทดสอบนะยุคของบียร์มาหมัดยุคสุดท้ายให้ร้อย น, นะให้โรคโควิดมาต้องนึก น้ำท่วมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใช่ไหมลมพายุมาแหงแรงนี่หมดเลยกระจายไปทั่วประเทศนี่ใช่ไหมแล้วก็โรคโควิดมานี่ทั่วโลกเลยนะเจ็ดพันล้านคนนี่สะดุ้งหมดเลยแต่ได้ข้อคิดอะไรบ้างท่านนั้นเองแต่โมกมินต้องฉลาดนะผู้ น, นบีเสด็จสอนแล้วนะอย่ามองโรคโควิดเป็นอาสาบคนกาเฟกมองเป็นอาสาบแต่โมกมินมองเป็นราะมะเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงครับ ทั้นใครที่มันจะรู้ขึ้นมาต่ฮัจ์เลิกเริ่มได้แล้วนะมันมีธุรกิจอยู่ประมาณหกธุรกิจที่ทำแล้วนะไม่ไม่ขาดทุนคุณช้ยสาวเปันคำวธุรกิจนะมันน่าฟังไนะ <c oughs> มีอยู่หกธุรกิจที่ทำแล้วไม่ขาดทุนทำแล้วไม่เสื่อม <c oughs> เป็นตัวช่วยในอะไรบ้างหนึ่งให้อ่านกุรานทุกวันสให้น้มาอยาขาด สามไม่ทำสระก็ทุกวันบริจาคทุกวันพี่น้องให้ขอดวงทุกวันในข้อที่สี่นะข้อที่ห้าเรกรวม ล, ล้อทุกวันข้อที่หกติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองทุกวันญาติพ่อญาติแม่พี่น้องบางคนก็อร่อยบางคนก็อือต้องติดต่อครับโหกระรายการนี้เป็นธุรกิจที่ทําแล้วไม่ขาดทุน ถ้าจะให้ขาดทุนก็ได้อยากไหมล่ะอยากให้ ร, ร, ร, ริสกีน้อยไหมไม่มีใครอยากได้ ร, ริสกีน้อยสักคนหนึ่งพี่น้องริสกีน้อยก็ทําตรงกันข้ามนัมมาซูบโบเสร็จแล้วนอนต่อหรือนอนแล้วมาตื่นมาสูบโบก็ได้อร่อยพี่น้องริสกีคุณได้เหมือนกันแต่ริสกีไม่มีบรรกัแล้วก็ขี้เกียจ จะเปิดกุญามีอัลลออัลบดบิดแล้วบิดอีกที่บุรีแล้วโอ้โหใช่ไหมและสังเกตนะถือกุรานก็ถือบุรีเนี่ยเราให้เกียรติบุรีมากกว่ากุรามนะถือบุรีเนี่มือไรนะมือขวาแล้วกุรามบางทีตัวมือซ้ายนี่เป็นตัวเนตแตะดนิดนะเอาต่อมาครับอายะห์ที่รนะอายะห์ที่หนึ่งยสบ อินน่ากะดะลิกะน้าจัลหมุฮ์อัซซินินอินน่ากะดะลิกะน้าจัลหมุฮ์อัซซินินอัลลฮฺเห้เดีฟังแท้จริงอินนาป็ว่าแท้จริงกะดะลิกในทำนองเดียวกัน นัจซิเราตอบแทนเราจะตอบแทนหรือเรากำลังตอบแทนมีสองความหมายจะตอบคือกำลังตอบแทนนะให้ใครครับอลมุฮซิ น, นผู้ที่ทำการดีทุกคน คนที่ทำการดีทุกคนเหมือนนบีมูซาเหมือนนบีฮารูเหมือนนบีมุ h a เหมือนน บ, เนน บ, د, เนนบีเหมือนใครจะใครทั้งหมดในโลกอ่ะที่ทำงานศาสนาของอลัลลอฮ์นี่นะครับแล้วอดทนในการถูกรังแกถูกใส่ร้ายถูกฟิตนะเหล่านี้เขาเรียกาเป็นคนดีคนดีแบบนี้อลัลลอ์จะทิ้งหรือว่าดูแลอลัลลอ์เก็บมาดูแล เขามาดูแลมันจะอยู่สบายอย่างเดียวนะให้ลำบากด้วยนะเ <c> ร <oughs> าคิดถึงน บ, บีมุฮ <c oughs> ัมมัดนบีมุฮัมมัดเนี่ยสอนศาสนาอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่มาการได้ไหมไม่ได้ต้องนึกตรงเนี้น บ, บีเนี่ยเราถูกเรล่นงานน บ, บีนะให้พี่น้องเขาเล่นงานน บ, บีน่ยเยอะมากเลยหลายข้อเลยข้อที่หนักที่สุดก็คือกัก บริเวณนบีไม่ให้อะไรนะไม่ให้ประจ่ายอาหารข้างนอกต้องกินใบไม้อุณหะดิษทั้งหมดเลยแล้วก็เล่นงานพระยานาบียินอานชาร์กว่าเป็นชูหนักไหมไปเมืองตออิฟถูกขว้างถูกดา่าถูกอะไรถูกไล่หน้าตาไม่หน้าแชร์หน้าแต่นบีให้อภัยเนี่ยนึก คนที่ถูกรังแกขนาดนี้แล้วก็อดทนไม่โวยวายไม่ฟออ้องอัลลอฮฺสักคำหนึ่งน้อมรับดูความเต็มใจอลัลลอบอกว่าอินนากะายกันาจรานนะิมุฮซินินคนที่ทำความดีแบบนี้ในทารองเดียวกันเราจะตอบแทนต่างวันให้เขาอย่างแน่นอนอย่างน้อยหุบใจสบายคนที่ละหมาดหเวลาเนี่ยใจสบายมันสบายครับ เขาก็อะไรก็วิ่งเต้นกันโอ้อไรก็ปัญหาแล้วนั่งสบายสบายหักดูดีแล้วอ่านุูณอ่านคือทากออกของชีวิตนะนตัวช่วยนะน้ำมานคือตัวช่วยนะการบริจาคตัวช่วยนะขอดูอานคือตัวช่วยนะซิดรุ่ล้อคือตัวช่วยนะติดต่อกับญาติคือน้องตัวช่วยนะ <c oughs> เอาต่อมาครับ <c oughs> อินนุหุมามินอิบะดินะลูมินินอัลลอฮชมไปแล้วชมนบีมูซากับนบีฮารูนให้นบีมวฮัมหมัดฟังอินนุหุมามินอิบะดินะลูมินินอินนุหุมาหุมาเป็นว่าเขาทั้งสองเทระายมอเอกี้เนี่ยนะหุมานี่หลายครั้งด้วยนะ อินนาหูมาแท้จริงเขาทั้งสองหมายถึงนบีมูซากับนบีฮารูดเป็นพี่ชายหล่อครอบครัวนี้เป็นเป็นนบีหมดเลยนะพุณต้องทำงานศาน ส, สนากับเป็นนักการเมืองคุณน้องเลือกเอาไหน <laughs> เป็นนักการเมืองดังเลยละ่ะ การทำงานศาสนาเชิญชวนคนสู่อัลลอฮอันไหนดีกว่ากันแต่แค่นี้พอนะมันกระเทือนเยอะนะแล้วรชมใครชมคนที่ทำงานศาสนาหมดเลยได้ไหมอินนหูมาแท้จริงเขาทั้งสองมินไอบาดินาเป็นปวงเบาของเราได้ไหม เป็นเบาของเราอรออับาดย่อนย้อให้เกียรติยกอย่องให้เกียรตนะินะมัช ด, ดานะแท้จริงฮารูนกับนบีมูซาเป็นเบาของเราอัลมุมินีนแบบไหนครับหวัวใ จ, จของเขาศรัทธาต่ออัลลอฮอย่างมั่นคงเลยครัลถูกรังแกนิ่งัล <c> ห <oughs> นิ่ง ยิงรบีว่วางมาถูกแรงแกนิ่งเนี่ยไอความนิ่งนิ่งเนนะ่เอามาใช้นะในชีวิตประจาวันของเรากับภรรยายาทะเลาะกันนะ <c oughs> เอาเงินในภรรยาในผลบุญเท่าไหร่หรู้มอามฮาอจรมีรางวัลตอบแทอนอเยอะมากครับอาแาดอุาาอ ม, ดมาใช้ชีวิตนะภรรยาบนทาไง นั่งนิ่งๆยิ้มยิ้มทำได้ว่าจะทำไม่ได้ถ้าเรานึกถึงรางวัลเนี่ยอนึกถึงอาญะนีอินนาหูมามียงไหบะดนัลมุมินีแท้จริงเขาทั้งสองเป็นปวงเบาของเราเป็นผู้ศรัทธาของเราเป็นปวงเบาของเร า, ด, ด, ด, รราดีดีไม่ดีอัลลอฮฺบารัดฮะมดุลิลลาอาพีโนะอะออย่างนี้ เราเนี่ยรู้จักเงินอยากมีเงินทกนทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้จักสากาศพังไหมวิบัติเลยครับแต่บนดุนยาเนี่ยอรห้รอดมันเองถูกทรมานในในในกบัวานมีเงินต็องนึกถึงสากาศนึกถึงพ่อแม่ตัวเองไม่เคยให้เงินพ่อแม่ใช้ไหมมีเงินต้งเยอะอยิ่งเป็นพี่ชายเนี่ยต้องดูแลน้องๆ อ, อ, อีกอะ น้อเก็บเงินไปทำอะไรอ่ะทำมาได้ดูแลงานศาสนาของอัลลอฮฺกบิครับแต่ก่อนจะวิบัติอัลลอให้สบายแค่โลกเดียวนะโลกดุญญนยาแบบนี้เอาไปเลยเอาเงินไปชื่อเสียงไปเกติยศไปตำแหน่งไปแค่ตายจบไหมจบหลังจากตายผ่านอยูสองโลกเอือะไม่เอาอะ่ะนมุมินเนี่ยต้องนึกถึงโลกหนะ้ามากกว่าโลกดุนยานะครับเอาต่อมาเรื่องที่สองรู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัยนี่ก็พังนะเรื่องเกลือนี่มีใครสอนดักทุกคนอามาจากไหนก็ไม่รู้นะหาวิไลัยกับมาดิสอนโรงเรียนกันบมาดิสอนมัสยิดกับมาดิสอนตัวอีห ม, าม่างกับมาดิซอนคุณอ่านกับมาดิซอนแต่มันมาอย่างไงอยู่ในตัวเราอะรู้จักว่าโกรธไม่ดีจะไม่รู้จักการให้อภัยรู้จักตึกสูงสูง โอ้เมือง น, นั้นมีอยู่ร้อยชั้นสามร้อยชั้นแต่ทำใจให้สูงไม่เป็นทำไมอ่ะก็ไม่เอากราุรอ่านไม่อ่านสุนัขา น, นาบีจะใจสูงได้ยังไงพี่นอ้องคนที่อ่านคุรอ่านตั้งหาละ่ะคนจะศรัทธาต่ออัลลอ์แลวเอาชีวิตของบรรดา น, นาบีนี่มาเป็นแบบอย่างใจสูงหมดครับพี่นอ้องชอบคัน สงสารคนชอบไหมใครมาเมตตาเรายิ้มกับเราเอาอหารดีใจไหมแต่เองไม่เคยสง ส, งสารคนเลยยังไงนี่ความบิบัดไงอยากให้คนมายิ้มกับเราก่อนแต่ไม่เคยยิ้มกับใครเลยไงซาลามก็ไม่ให้ก่อนกจะเสียหน้าหลอกอัคบัตอะไรอย่างเงี้านี่ยขจัดทิ้งให้หมดเอาอักรลางนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเอาต่อมาครับ ที่อัลลอฮ์ยกย่องนบีมูซากับนบีฮารูนเพราะความบริสุทธิ์ใจสองคนนี้เป็นเบาของเรานะครับที่เป็นมุมินขาขาเขาบริสุทธิ์ใจเขาเรียกว่าอิคล่าแต่หุ่นจำของอัลลอ์แล้วก็ยืนหยัดในอัลลอค์องเดียวนะครับเวลามีปัญหาเดือดร้อนไม่เคยไปหาหมอดูเลยนะนะครับเอาต่อมาครับอายาที่ยี่หนึ่งยี่บสา w a าอินน้าอิลยาสลามินอัลมุรซัลินว่าอินน้าอิลยาสลามินอั l มุรซัลินอัลฮัมดุเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังเรื่องนบีอีกคนหนึ่งนะครับื่ออะไรนะอิลยาส อิบลามอิลคดุกลินอิลยัสอินยัสเนี่ย <c oughs> เป็นนบีของ Allah และมินัลมุสลาลิ n เป็นคนที่ถูกส่งมาอย่างแน่นอนอินนาแปลว่าแน่นอนอินยัสชื่อนบีมุสลาลิ n คนที่ถูกแต่งตั้งมาถูกส่งมา ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์บนโลกลุญยาใบนี้เห็นยังครับคนทํางานศาสนาทุกคนถึงเราจะไม่ไปเชื่อนะเพื่อนรุ่เรามันมีปัญหาเพราะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วในอดีตที่ผ่านมาคนทํางานศาสนาทุกคนอัลลอฮ์รักหมดเลย <c oughs> ทีนี้อิลยาสเนี่ยอิลยาสเนี่ย <c oughs> ในตับเสื หลายๆเล่มอธิบายบอกว่าหมู่บ้านที่น บ, บีอิมยัดมาสอนเนี่ยชื่อหมู่บ้านนั้น <c oughs> มีสองสองศนะศนะหมู่บ้านซาเมียซาเมียแล้วก็อีกคนหนึ่งว่ามีหมู่บ้านบาลาบักกาบาลาบักกานี่มีสองชื่อนะครับจะว่าซามเรียหรือบาบาลาบักกาก็ได้ แล้วก็น บ, บีอิลยาสเนี่ยมาสอนศาสนามาสอนเรื่องอะไรเรื่องชีวิตลาตุศริกูบิลลัยตั้งพากีกับอัลลอฮ์โอ้ยที่นัน่นเมืองนั่นวันนั้นก็ บ, บูชาเจวเวตกันหมดแล้วบูชาเจวเวตหมดเลยอัลลอฮ์ก็เมตตานะให้น บ, บีอิลยาสมาสอนอัลลอฮ์เมื่อมาสอนเนี่ยถูกแก้เปล่าแน่นอนที่สุดแล้ว ไม่มีนบีคนใดในโลกที่มาแล้วแบบไม่ถูกด่าไม่ถูกขว้างไม่ถูกตำหนิทุกหมดแต่เราจะเล่าหรือไม่เล่ากันนั้นแหละนะครับว่อินน์อิลยาสซลามีนัลมุรสัลีนแท้และแท้จริงอิลยาสอยู่ในหมู่ผู้ถูกส่งมาเผยแพ่ อ, อิสลามนะอย่างอื่นไม่มีครับเผยแพ่ อ, อิสลามอย่างเดียวและเป็นมุสลิมด้วยนะครับ และมีนัลมุรซาลีเป็นผู้ถูกส่งมาอย่างแน่นอนอัลฮัมดุลิลละมาดูว่าน บ, บีอิลยา์เนี่ยมาสอนพวกสอนเรื่องอะไรครับอัลไอกรา ล, ลิกาวมีอาดาตตะกูน อ ذ ق ก, กา ل ق ล ئ م อ ألا تتقون เวลาดับเบีอินยาตพูดกับพวกนะพูดดีอิซแปลว่าจงดำลึกถึงเมื่อกลอาอินยาตได้พูดนะได้พูดได้ด่าวาได้เชิญชวนลิกาวมิฮิแก่พี่น้องของเขา แกกลุ่มชนของเขาแกพวกของเขาขเขาห้ยไหมเอาคนอื่นมาเป็นนบีมาเป็นคนสอนศาสนามาสอนในกลุ่มเป็นคนอื่นเนี่ยมาสอนเนี่ยคนชาว บ, บ้านจะรับไหมส่วนใหญ่ไม่รับนะเอ็งมาจากไหนจะมายืนสอนมาจากไหนอร่อยเลยเลือกงนะ ให้นบีนี่ออกมาจากกลุ่มชนของเขาเองเรียกเขามีฮีฮีแปลว่าของเขาเนี่ยเรียกนบีอิน ญ, ญาตมาสอนสาศาสนานในหมู่บ้านของเขาเองเอาคนอื่นมาชาวบ้านไม่รับเอาอรู้นิสัยนะ่ะรู้สัตวนะ์การมันรู้สัตวารมนุษย์ดีอัลลอฮเอาคนในหมู่บ้านเนี่ยมาสอนอย่างน้อยก็ความเก่งใจมังเอ่อมองถึงพ่อเอย โตมันไวแชม่มด้วยบริจาคที่ไปเยอะเขาเก่งใจมันเก่งใจมันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะมีอะไรเข้ามาช่วยประคองไว้เยอะน บ, บี ญ, ญาสอนอะไรรู้ไหม阿拉ตะตะคุณอัลลอฮฺว่าขวัดทำไมพวกท่านจึงไม่สำรวมตนจากความชั่วอัลลอฮฺทำไมไม่กลัวอัลลอฮฺ มสซาสอนอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์จั ง, งนอนกลางวันกลางคืนสร้างรุ่นสร้างให้พวกคุณทำไมไม่จะคิดถึงอัลลอฮ์เลยเรอให้อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้อธิบายไปในกระพีคุณอ่านแต่เล่าแต่เล็กๆน้อยๆว่านาบีอินชาตก็คนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมามาสอนคนในหมู่บ้านของเขาแล้วเขาเชื่อไหมล่ะไม่มีใครเชื่อหรอกอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์อักบริเนกให้กำลังใจท่านนาบีมูซองเามาสั่ ตัวเราเนนบีนี่ถูกด่านี่ไม่ถูกดา่กดาแต่นี่นบีมรหมดเนี่ยสอนดีนะคนที่ด่าคนนี่กับคนที่ถูกด่าเนี่ยคนที่ด่าคนนี่นะคนที่ถูกด่าไม่มีอะไรเสียหายเลยคนที่เสียหายใครคนที่ด่าเองเห็นยังครับ ใครจะฟิตนะใครก็ตามไปน้องคนที่ถูกฟิตนะอลัลลอจะคุ้มครองหมดเลยนี่เป็นหลักที่อัลลอวางไว้คนที่ด่าคนต่างหากฟิตนะคนต่างหากอาลัลลอจะให้การด่านั้นเป็น ก, การกลับมาหาตัวของเขาเองนั่นม่ตองไปกลัวนะอยากเี่นน้องด่าเรานั่งเฉยๆ ย, ยิ้มๆนะแล้วก็ ให้อภัยด้วยนั่งยิ้มๆแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มองเลยมองผ่านเลยอย่าไปใส่ใจไปน้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอยายัเท่าไหร่นะหมดแล้วหมดแล้วคือิล ก, กอิกกลกาลิกลมฮีอาลา ต, ตัดตกูน คำว่ า, าลาตักตกูลเนี่ยในกุณอานอธิบายนะตักตกูลคุณไม่ไม่กลัวนรกหรืออ่าสองคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะให้ห่างไกลจากไฟนรกคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์นี่นะครับคุณจะจะต้องเลิกกินดองเบี้ยคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์จะไม่ตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองคุณจะทําบาไปเยอะนะครับ คนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์นี่นะครับจะต้องนึกเสมอว่าเราจะต้องถูกให้ฟื้นขึ้นหลังจากตายคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ก็ต้องนึกเสมอว่าจะต้องถูกอะไรนะตอบแทนรางวัลด้วยพระหัตของอัลลอฮ์เองในวันเตีย่ยวมาคนที่มีตักวาต่อให้อภัยกับคนที่ทําไม่ดีกับเราคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์จะต้องนึกเสมอว่าตัวเองจะต้องตายโดยอัลลอฮ์ไม่บอกวันตายต้องนึกต้องต้องต้าบ้าตัวตลอดเวลา งคนที่มีตั ก, กวาต่อรอดเนี่ยต้องนอบน้อมท่อมตนสงสารให้อภัยคนนะครับแบบนบีอิบรอฮิมที่อัลลอฮ์ชมบอกว่าฮาลีมุนนบีอิบราฮิมที่อัลลอฮ์ ร, ร, รักมากนะเรียกว่าคอยลีลุลลอยนะเป็นมิตรของอัลลอฮ์นะเพออะรานะนั้นอดทนสูงต่อมาเอาวาหุนสงสารคนข้อที่สมเตาบ้าตัวเมื่อทําอะไรผิดพลาดส่วนอย่างนาบีไม่ได้ทำผิด ไอ้ที่เล่าให้ฟังเพื่อตัวพวกเราเองวันนี้นะทําอะไรผิดต้องแต่บ้าตัวนาะแล้วก็สงสารคนนาะแล้วก็อดทนนะตอนมีบาราขเข้ามาเยี่ยมเยียมเราถึงบ้านเรานะครับเอาหมดครับพี่น้องอั บ, บีุมักนี่ถูกถู ก, ถ, กถูกรังแกเยอะนะสว่วบ้านอั บ, บีุนี่กี่คนนะเจดสิคนตายส่วนไปทํางานาาศาสนาะใช่ไหมถูกฆ่าตายอนะ่ะอับดเบลเสียใจมอับดุลเบลเขเสียใจอย่างบิที น, นะครับต้ออดทนหมดเลยนะครับพี่น้อง ออาก่อนจะจบจะให้ความรักมีความรักเพิ่มขึ้นในตัวเราเนี่ยให้ทำสามข้อพยายามบินใบหน้าที่ยิ้มแย้มเห็นหน้าลูกยิ้มมีหน้าภรรยายิ้มญาติพี่น้องยิ้มอย่าไปนั่งอะไรนะน้างางอยัดยาๆายายาแทำยาทนะครับเรื่องที่สองพูดจากับคนเนี่ย กภรรยาก่อนพูดเพราะเพราะกับลูกๆ ก, กับเพราะกับญาติไปลองพูดจะไพ่เพราะไลย่ยิงุกระลาพูดจะไพราะพูดจะดีๆข้อที่สามนะครับมารยาทที่งดงามเอามาชายมารยาทไทยเนี่ยอัจฉริยะดีมากเลยนะแต่คาว่ามารยาทงามอ่ะคุณอ่านอธิบายอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ให้ไปไหนให้มามัสยิดแต่ภรรยาน่ะรีบ เข้า้องานาเลยแปลงฟอัน่นน anyway? ั okay. ่นก็เรียกว่าคุณมารยาทงามใช่หมไอ้เราว่ามารยาทงามะมองอีบาต้องเดินหลังค่อม่อมเดินมาตัวหน้าคนนั้นนั่นกับผท้ายอะนะจะต้องอาศัยกุรานอาศัยหลักการจากจากชั้นฟ้าว่ามารยาทงามอธิบายยังไงไม่ใส่ใจเรื่องรสาระอย่างนี้เป็นต้นนะครับหเวลากับสุานะลอฮขุมาวะบิฮัมดลลอิลิะอนอัสตะฮุตตวบ مُحَمَّدْ มาห ا อนในบ้าน